เวลมเวลาเวลาเท่านั้นทําวัดเวลาเท่านั้นเราออกไปเดินจงกรมเวลาเท่านั้นเรานั่งสร้างข่มเพี้ยนหรือเราจะให้อะไงก็กต้องมีเวลาอาบน้ำสั่นอาหารเราต้องคิดไว้ว่นนี้ที่พคนเรียกเราวันนี้การทําวัดก็คือกันการทําวัดนี่เมื่อผมบวดมาเพิ่นเรา Really? มีสองสันแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นมหาอนิกายุได้เป็นธรรมยุติเลยก็ได้ นี่นหลวงเบิรนุ่งหั่นเห็ดจังหวะพลิกมือไปเอามือมาพลิกขึ้นคว่ลงยกไปยกมาสอนวิธีให้ใหจังหวะนี่เลยครับเห็ดเห็คืนเดียวต้วเขาเขาหูเรื่องวิธีเรื่องรวมนามของหูจริงๆแต่เขาหูประเด็นหูแบบผมเขาหูแบบเป็นมายาแบบหลอกคนผูเหญิงผมคิดเพราะเขาเคยทํามาแล้วเนี่ยเขาเคยทํากรรมฐานมาเก่งแนละ้วไปอยู่หองหมดต้องละเอ้ยซื้อดอก อยูกับอาจารย์ใหญ่ๆมีชื่อเสียงโด่งดังแปลงสื่อเก่งเขาไปอยู่มาแต่เขอนิยมโบรุธรรมะแบบพอดีตอนเฝ้ามาผมไปถามเป็นอย่างไง ร, รู้อยากรู้รู้ครับว่ารย์รู้อะไรผมรู้รูปรูปน้ำผมเห็นรูปน้ำเห็นรูปผมมนเป็นยังไงนั่นผมนั่งอยู่เด่มือนก็ น, นั่งอยู่หันนั่นขม้าษีครับคืนนี้แหละครับแต่เว่ามีหัวอว า, าจารย์มีต้งแต่คอลงไปทังตัวนั่นอ้า โอ้ผมมันก็ได้เป็นคนที่ตัวนี้นี่แหละคือว่าคน ม, มันรู้ระยับของจริงคัดบอกของจริงให้คนมีปัญญาแล้วจำรถเขาเหน็นเพียงมายาเพียงรูปภาพอยู่ภายนอก I a n n o t พระจิมาเนี่ยถึงเวลาเท่านะ้นพจิมาเขาหู่จกักเขาทำได้เวลาเขาไปนั่นแล้วออกจากนั้นแเราก็ทําเลยครับนั่งเหตุอื่ น, นหรือเค็ดยยักษอื่นไปมีดวงตาคนหนึ่งมาจากเมืองลาวเขาเป็นเจ้าคณะเมืองนั่นเด็ก่อนเขาเอื่นเจ้าคณะเมืองในเจ้าคณะตาแสงหรือเจะาคณะตำบนนั่นสิครับเป็นเจ้าคณะเมืองมาปฏิบัติธรรมะ ก, กับผมมีการสู้บุรีมีเขี้ยวมาก ผมก็ได้ห้ามเนาะค่ะโมนี้เคสตรรัวลูกเลยต้องเสารเองเลยอิดอดขันเมื่อเวลาเขาไปทําอิดผมไปให้เป็นระยะเวลาไปถึงเวลานั้นก็ต้องไปไปสอบอารมณ์ท่ากนก็นั่งอยู่ท่านก็ ท, กทำความเพียรอยู่บัดนี้ยปอเป็นติในบันไดไปกูให้มีกาหนดันเวลาบางเทีผมก็ไปเมื่อในระยะสองโมงเช้า บ, บัดนี้ผมก็ไปแา่เนเป็นสองมงสามสิบหรือสามโมงอะบัเห็นแล้นอนแลนน้วบันดีแน่ บางที่ไปตอนเศ้า ๆ, ๆไปเนี่ยนั่งผมผ้าแต่ก็กนั่งเฉยนี่อันนี้แสดงว่าไปตั้งแต่เวลาอาจจะาผูจาัาเจ้าเฮ็ดโลดก้าทำนักเวลงเวลาเขาจยกรู้ว่าคนใดพูดจริงทําจริงวิธีสอนนั้นไปยังต้องมีคำนุน ย, ยังมีเวลาจยไปยังได้ไปแต่ว่าไปแล้จะไปปุยนานวิธีผมถามเล่น้อยบนอ่านถามแล้วจ ร, ริงเหร็นกระซ้าไปกระตามไปจากสารที่เชื่อแล้วก็เห็นว่าจริงจังเลยก็ปล่อยไปเสะ ปฏิบัติกระไดเพราปฏิบัติกระได้ฉะนั้นมาถามผมผมก็บอกตามกงให้ไปเถอะลูกก็ได้บม่รู้ก็ได้ไดเพราะมันโมศรัทธาเลยครับมันโมศรัทธ า, ามันไม่ให้จริงถ้ามันให้จริงแล้วเขาก็ส่งเสริมแม่คนไม่ศรัทธาเป็นอย่างไรอันเนวิธีสอนของเขาเรื่องวิปัสสนูเรื่องวิปัสสนเ ร, รเรื่องจิตญาณนั้นผมผมมีไพรไว้ฟังผมดูเองครับ แล้ิปัสนาโนนี่ผมรู้ตอนแหลงแค่ผมเป็นตั้งแต่เศ้าผมรู้ลูรกรูน้ําเนี่ยผมเป็นวิปสัสนาโนผมเทศ ย, ยืนเทศนั่งเทศนอนเทศเทศให้เทวดาเทศให้ผีเทศให้คนฟังนั่งอย่างนั้นพูดอย่างนี้เนี่มันเป็นอะไรสักอันนั้นผมรู้นอกตัวไปผมรู้วิปัสนาไม่ต้องรู้ในตัวจริงๆนะครับรู้รู้สภาพหรือภาวะที่สรงไว้เนี่ยรู้จริงๆรู้เรื่องนี้ผมเลย Ah, uh h -huh. a t หลายตัวกินขมิตแล้วเขาวันนี้เขาเดินป้อมันเป็นยังไงเลยออกลูกออกไปง้างไ ป, งไปพอทีมันเห็นเขาปุ๊บมันแหลนนีนู๋เฮยมันยานอันนี้ก็คือการเรื่องโทสะโมหะโลภะเนี่ยผต้องพูดกันเลยแต่ให้เขามีสติมีสมาธิมีปัญญาหรือยานเขาก็ว่าได้หรือปัญญาก็ว่าได้เห็นแจ้งรู้จริงแล้วถ้ามีคนมาเรื่องโทสะนี่มีคนมาพูดที่มันบพุพเพหูเขา เรืออร่องอันใดตำางมันเย็นในเพลินตีตีเกิดขึ้นสั ก, กัดปล่อให้โทสะโมหะโลภเกิดขึ้นนี่ยผมเข้าใจแต่โอ้เรื่องโทสะโมหะโลภต้องเห็นจริงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบทหกแล้ววันนี้ต้องเห็นอันนี้ในขณะเดียวกันนั้นครับจิตใจผมเปลี่ยนสองเธอครับถ้าหากทว่าตามเรื่องตำหลักตำนาพเพ่ อ, เอินปฐมส า, ารทูตติยาสาร บอว่าจิตใจผมเปียนสองพักออกมาแล้วั้นเปียกจิตใจเป็นเปี้ยกอันจิตใจเปี้ยกเข้าไปรูปไปเห็ุจริงๆนะเพื่อนวัชานเพื่อนว่าปัญญาเพื่อนว่าตาทิพย์เพื่นว่าหูทิพย์ก็ได้เยอะเพื่นตาซ้องก็ได้จีบอะไรจังได้ ก็ราด้วมันเป็นบ้าว่ะครับเป็นบ้าสิสติไปนี่จะว่าอาจารย์ก็ต้องหาผู้ที่รู้พอสมควรแล้าหาเป็นบวชอาจารย์หาบวปิแล้วเพอหาบวรู้เลเหาบวรู้แล้วจะไปหาได้อย่างไรหาอาจารย์เขาต้องรู้จริงๆก่อนที่จะรู้นั่นคือจังว่าเนี่ยเขาต้องหลักการหลักงานของเคิดถึงอยู่ท่านคล้ายๆคือมีที่ครองอันใดเขาคิดถึงอยู่นั่นแหละครับคิดถึงเว ล, เวลา เสื้อสิ่งที่คุณเสือ้อเนว่าแต่ค้อพรมศัทธานะั้นคือศรัทธาเสือ้อให้ทานรักษาสิ่ททงกรรมฐาน น, าานั้นอันนั้นก็นถูกอยู่ว่ามนน ใส่นี่ติดตัวผมเยครับเจอดเมื่อคลาคายเลย ก็บุกเอาใจใส่เอาซฉยฉะ น, นประโยชน์จงทําดีจงทําดีเพื่อการทําดีของของเรานนเนี่ยไปเรื่อยจะได้ที่เพื่งองันกเกษมหรือจะได้ความสุขัสูงสุสาางไดไรเงี้ยสิกระดรวันนี้เมื่อเห็น ที่สุดควมรู่นั้นท่วมหัวเอาตัวบอลอดพ่อแม่พู้เท่าพูกแกเป็นสอนนะข่มรู้ท่วมหัวเอาตัวบอลอดข่มลูของพระพเจ้าถึงจะรู่แปดมื่นสี่พันพระถันั้น need <laughs>